ไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติของตนโดยโดดเดี่ยวนี่ก็อาศัยจิตของสัตว์โลกเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วเกิดขึ้นที่ <c oughs> เกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วกัดเหล็กให้เสียไปได้เช่นเดียวกัน <c oughs> คำว่าศาสนธรรมนั้นนั่นแหละคือธรรมชาติเครื่อง หัดเก่าหรือซักฟอกชำละล้างหรือสังหารแล้วแต่จะนำไปใช้ในกิริยาอันใดที่เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ภายในอันเป็นของไม่เปลือปรารถนานั้นคำว่าปรากก็หมายถึงสิ่งภายในนั้น เป็นธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณไม่ยอมฟังเสียงแม้เจ้าของคือตัวเราเองเลยยังดื้อด้านหานคิดหรนลุ่มหาน ร, รักหานชอบหานเกลียดหานโกรธหานโลกอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งทั้งที่มีสติ นเรียกว่าสิ่งที่ผาดผลจนทะยานอันเป็นฝ่ายต่ําหากเราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันนั้นจะมีแต่ความเสียหายโดยไถ่เดียวจนถึงกับใช้การงานอะไรไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่หายใจปอดๆมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่เป็นคนที่หมดคุณค่าได้เพราะการปล่อยตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้ด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องใช้ใชคําว่าป ร, ราบ กิริยาแห่งการต่อสู้หรือปราบกรามสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาที่เด็กเดี่ยวอาจหันาันไถยหรือแก่กล้าสา ม, มารถไม่สะทกสะทานไม่อ่อนแอมีความแข้มแข็งเป็นประจรําตนนี่จึงให้ชื่อว่าปราบกิริยาประเภทนี้หรืออาการที่ว่าปราบนี้ใช้กับกิเลสประเภทที่ ึกเหมดังที่กล่าวมานี้ถ้าประเภทเรียบๆธรรมดาธรรมะก็เป็นประเภทเรียบๆแต่ให้เหนือสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ยอมให้สิ่งนั้นกลับมาทำลายเราได้ี่เรียกว่าการชาระล้างหรือการประกอบความเพียรพูดอย่างสุภาพทั้งๆกิเลสนั้นมันไม่ได้สุภาพแหละประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลส อันเป็นค่าสึกต่อทำแล้วจะไม่มีความสุภาพในธรรมชาติของมันเลยอาการใดแสดงออกมาจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราทั้งนั้นนอกจากไม่มีสติปัญญาสอดส่องมองดูตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันว่ามีโทษหนักมากเบามากหรือมีพิษภัยมากน้อยเพียงไรเท่านั้นจึงจะไม่อาจทราบได้ ถ้าใช้สติปัญญาแล้วต้องทราบพิษภัยของมันทุกอาการที่แสดงออกมาไม่เช่นนั้นปราดทั้งหลายจะไม่ตําหนิเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกพาให้เกิดก็คือสิ่งเหล่านี้พาให้ได้รับความทุกข์คำลําบากทรมานไม่มีสิ้นสุดไม่มีจุดหมายปลายทางก็คือสิ่งเหล่านี้ ท่านพิจารณาเห็นโทษของมันทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีชิ้นใดเหลือเลยที่จะไม่สงทราบด้วยพระญาณทุกๆพระองค์ของพระพุทธเจา้าและทุกๆองค์ของพระสาวกท่านทราบโทษของมันได้ดีพอเพงได้ประกาศธรรมเครื่องสังหารเครื่องชำระล้างหรือเครื่อง ปราหักปัญหารลงเป็นเสียงเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยชมเชยสิ่งที่เป็นฆาติลป์ต่อธรรมที่ให้ชื่อว่ากิเลสนี้ว่าเป็นของดีมีคุณค่ามีราคาเลยไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดตรัสรู้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและธรรมนั่นแหละ การประกาศธรรมะจึงต้องนำความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วอย่างเต็มพระไัยนั้นออกมาประกาศสอนโลกให้ตรงตามความจริงเมื่อตรงตามความจริงแล้วจึงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดประกาศาศาสนธรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากกันแม้นิดหนึ่งเลยส่วนใดที่ถูกต้องือส่วนใดที่แยกแยะ ก, กันบ้างท่านก็ประกาศเอาไว้เช่นถ้าชนมาายุ บางองค์ก็มีพระชนมาายุยืนนานเช่นเป็นหมื่นหมื่นปีหรือหลายหล า, ลาหมื่นปีนี่ท่านก็แสดงเอาไว้หรืมีพระชนมาายุน้อยดังพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ทรงแสดงเอาไว้นี่คือความแปลกต่างกันแห่งพระสรีระเน้อการลงวัสดุสังฆกรรมก็มีแตกต่างกันเช่นเจ็ดปี ย่นลงมาย่นลงมาจนกระทั่งปีหนึ่งลงอุปสสถท้นหนึ่งก็สามารถยังความสามาคัคคีแห่งพระสงฆ์ให้กลมกลืนกันได้จนถึงวาระแห่งการประชุมลงปฏิโมกอีกทีหนึ่งเช่นรอบเจ็ดปีลงจวดปฏิโมกประชุมสงสักครั้งหนึ่งหลังนี้พระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุข ไม่มีความแตกร้าสามัคคีกันจนย้อนลงมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราสิบห้าวันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถเจ้นหนึ่งพอดีแก่ความทรงอยู่ของพระสงฆ์ไม่แตกร้าสามัคคีท่านมากกว่านั้นหรือนานกว่านั้นไม่ได้นี่พระองค์ก็ประกาศเอาไว้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้ส่วนศาสนาธรรม ไม่ว่าฝ่ายโทษไม่ว่าฝ่ายคุณที่ทรงแสดงออกเหมือนกันหมดจะพราะยังยิ่งแสดงแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งนั้นทำทั้งหมดเป็นเครื่องชำระสะสารกิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยต่อสัตว์โลกโดยถ่ายเดี่ยวหากว่าธรรมชาตินี้ได้หลุดพ้นไปแล้ว การแนะนำสั่งสอนก็หมดลงทันทีเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกอรหรันองค์ใดที่ได้สำเร็จแล้วองค์งนั้นก็เป็นอันมาหมดปัญหาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่มีคำว่ากําเนิกไม่มีคำว่าจะมีจิตเด็ดต่อไปอีกหรือสืบอพบสือชาติเกิดแก่เก็บตายเหมือนดังดังที่จิตซึ่งเป็นสามันอยู่แต่ก่อนนั้นเลยนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอน ท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันการชมเชยก็เป็นเสียงเดียวกันชมเชยเรื่องเรื่องธรรมชมเชยเหตุคือการดาเนินเพื่อความพ้นทุกข์ชมเชยการดาเนินเครื่องมือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีความเข้มแข็งมีอย่ามีความอ่อนแอเชื่อในเหตุในผลตามที่ พระองค์สอนไม่แล้วสติใช้เสมอประจำความภากเพียรปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะแทงทะลุสิ่งที่ปิดบังลี้ลับทั้งหลายมาแต่ก่อนให้กระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาดังท่านสอนไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือไม่มีความสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญานี่เลย พระอาทิตย์จะมีกี่ร้อยดวงก็ตามจะส่องลงมาถึงแค่ที่เปิดเผยเท่านั้นที่ปิดบังลี้ลับหรือเป็นที่กำบังเช่นในถ้ำงอผาเป็นต้นพระอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะส่องทะลุเข้าไปได้แม้จะมีร้อยดวงก็ไม่มีความหมายแต่ปัญญานี่สามารถแทงทะลุปลุกปลงไปหมดในบรรดาสิ่งที่เป็น สิ่งที่มีทั้งหลายและเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อใจได้แก่ธรรมในสัพพุตศัสนาท่านให้ชื่อวิกิเลสจะมีเป็นส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นสติปัญญานี้แทงทะลุปุโป่งและทําความสว่างขาจ่างแจ้งตลอดถึงการปราบปรามหรือชารล้างให้หมดสิ้นไปได้โดยตลอดทั่วถึงนั้นเป็นอันไม่มีต้อง กระจายไปหมดนี่ชื่อว่าปัญญาความสว่างกระ จ, าจ่างแจ้ง น, นอะไรทุกท่านที่มาปฏิบัติจงน้อมใจลงสู่สวกขาตัถมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว จะไม่ผิดหลังในการดำเนินแต่ในขณะเดียวกันระวังอย่าให้สิ่งที่เคยมีอำนาจฉลาดแหลมผมเหนือเราอยู่แล้วคอยแทรกหรือสวมรอยในขณะประกอบความเพียรจะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเลยนี่สำคัญอยู่มากการประกอบความเพียรที่ว่าความเพียรคือว่าเพียรทุกด้านสติก็เพียรให้มี เพียนให้สืบต่อปัญญาถึงการจะใช้ก็เพียนพินิษพิจารณาอย่าลดละจนเป็นที่เข้าใจในแง่แห่งธรรมทั้งหลายการพิจารณาสาการการนี้นี่เป็นสำคัญอย่าว่าใช้สมองราภูมิท่านจึงบอกว่ากายกายกตาสติคือสติตามรู้ในกายจะเป็นทุกสัตว์ทุกส่วนหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่จะสามารถกระจายไปได้หมด รวมลงในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาอาสุภะอาสุพังไม่พ้นจากนี้ไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติของมันเต็มไปด้วยที่กล่าวมานี้อยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราไม่มองข้ามไปข้ามไปหาสิ่งไม่มีหาสิ่งไม่เป็นคือกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจะหาเสกสรรปั้นยอแต่สิ่งไม่มีไม่เป็นมาหลอกลวงสัตว์โลกที่โงกเขลาบัญญา ยึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้ า, ถาเรื่องถ้ากิเลสหลอกลวงแล้วจะจะล้มละนาวกตามกันไปหมดไม่ว่าจะได้รับความเสียสันทั้งยอฤษณะเสรินยอมาสูงขนาดไหนจดฟ้าก็ตามว่ามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นไหนก็ไม่พ้นที่จะล้มละนาวไปตามกิเลสตัวหลอกลวงจนได้แหละนี่นี่เราจะเห็นได้ชัดๆอย่างนี้ทป็นสิ่งที่ละเอียดมาก หลอกฉัดโลกได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสมันจะปลอมแปลงเรื่องต่างๆมาไม่ได้เอาความจริงมาพูดไม่ได้เอาความจริงมาหลอกไม่ได้เอาความจริงมาให้เรารู้เราเห็นมันจะเอาความแต่ความจอมปลอมทั้งนั้นมาร้อยทั้งร้อยเพราะตัวกิเลสก็เป็นตัวจอมปลอมอยู่แล้วสิ่งที่มันแสดงออกมาจึงหาความจริงไม่ได้เพราะตัวมันเป็นหลักแห่งความจอมปลอม การแสดงออกมาทุกแง่ทุกมุมทุกอาการจึงออกมาด้วยความจอมปลอมหลอกลวงท่านั้นหาความจริงไม่ได้เอาถ้าเราอยากทราบชัดว่ากิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไรธรรมคือความจริงแสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆกิเลสคือความปลอมสิ่งใดไม่ปลอมกิเลสไม่แสดงจะแสดงตั้งแต่ความจอมปลอมท่า น, นั้นเพราะกิเลสเป็นตัวปลอมดังนี้ในภายในร่างกายของเรานี่เอาดูสิ เทศา <acontec ido> เป็นยังไง hey. มันสวยมันงามนที่ตรงไหนที่เกิดมันเป็นสถานที่เช่นไรที่อยู่เป็นสถานที่เช่นไรอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงตัวของมันให้ทรงตัวอยู่ในร่างกายของเหล่านี้เป็นอย่างไร hey. แล้วสถานที่เกิดของผมเป็นอย่างไรบ้า euh, งขนเล็บเหล่าเนี้เป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของมันตัวของมันเองเป็นยังไง มันสดสวยงดงามดังที่สิกิเลสเสกสรรตั้งย่อมาพี่นาะข้าวจนกระทั่งถึงหนังเอาหนังเขาหนังเราหนังหญิงหนังชายมันแตกต่างกันที่ตรงไหนทําไมจึงได้ติดได้ผันได้รักได้ชอบได้ลหลงไหลไปฟันเนื่องนักหนามามีความกิ่ความจางตั้งแต่กลับไหนกันใดนแล้วหลงหนังหลงสิ่งเหล่านี้หลงมานานแสนนานแล้วทําไมไม่มีวันอิ่มพอนี่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนดูที่เรื่องของกิเลสเสกออกมา แล้วเราติดตามที่มันว่านั้นไหมส่วนธรรมท่านว่ามันหาความสาระแก่นสารไม่ได้แล้วมันหาความสะอาดสะอานไม่ได้หาความสวยงามไม่ได้ทั้งที่เกิดที่อยู่ของมันมีแต่สภาพปฏิกูลโสโครกมีแต่สิ่งที่แปรสภาพไปหมดอริจังก็อยู่ตรงนี้ทุกครั้งก็อยู่ตรงนี้อนัตตาก็อยู่ตรงนี้หาสถาบุคคลที่ไหนมีนี่คือธรรมท่านกล่าวตามหลักความจริงแต่กิเลสคือตรงกันข้ามทางนั้น หนึ่งเป็นของสวยของงามเา้าถ้าว่าเป็นหนึ่งสองว่าเป็นของกีรังถาวรเหมือนกับสิ่งเหล่านี้จะไม่แตกไม่ดับเลยสามสัตว์บุคคลเต็มอยู่ในนี้หมดไม่ว่าอะไรอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดอันใดที่เป็นสิ่งจอมปลอมธรรมชาตินี้จะหลอกขึ้นมาหลอกขึ้นมานี่เล่าที่หลงอยู่แล้วถูกมันควบคุมอยู่ตลอดเวลายังหาความจริงไม่ได้ภานจิตใจแล้วจะหาความสุขความสบายที่ไหนมีก็ต้องมีแต่จอมปลอมจอมปลอมซุขก็จอมปลอม มันเสกสรรปัญญานั้นมาหลอกมันนี้มาหลอกพอให้เครือนเครื่อหลงไหลไปเย็บผ้าเป็นความสุขสนิดหนึ่งนิดหนึ่งนอกจากนั้นมีแต่ปืนแต่ไฟเผาเราทั้งเป็นเป็นยังไงเอามาเทียบดูสินี่หลักสัตวจะธรรมของพระพุทธเจ้ากับความจำเปอนของกิเลสมันหลอกลวงอยู่ในภายในกายของเราอันเดียวนี้แล้วที่นิยนเข้าไปสู่จิตอ่ะจิตเป็นยังไงอาการของจิตออกมาแต่ละอาการมีแต่อาการที่หลอกลวงตัวเราคนนั้นก็หลอกคนนี้ก็หลอก ใครเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามจะ ต, ต้องย้อนเข้ามาหลอกภายในจิตใจหลอกภายในจิตใจนี่อยู่ด้วยอารมณ์อันแห่งหลอกหลอนหาความจริงไม่ได้ไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าสัตว์ตัวใดอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสหลอกลวงเนี่เราพิจารณาเลยสิแล้วผลน้อมันเป็นยังไงโลกอันนี้มีมานานแสนนานใครได้ยินอยู่ที่ไหนว่าโลกคนนี้วิเศษวิโสเลิเล่อเลยมีตรงไหนสัตว์โลกที่อยู่ในที่นี่ตัวสัตว์โลกโลกสัตว์โลกตัวไหนเป็นตัวที่เลิเล่อเลย เพราะอำนาจแห่งกิเลสฉุดลากไปนั้นมีตัวใดเลิศเลยมีตัวใดวิเศษวิสูมันมีตั้งแต่ตัวที่จมอยู่ด้วยกันอ น, นิจจังทุกขังนาตาจมปรัสอยู่ด้วยความทุกองความทรมาร์นี่เวลาพูดถึงเรื่องปัญญาสอดแทรกกันไปกับเรื่องสัญญาความหลอกลวงเจ้าของพวกสัญญาคือความหลอกลวงไปสําคัญว่าอย่างนั้นให้สําคัญว่าอย่างนี้ปัญญาพิจารณาสอดแทรกเข้าไป ตะกี้นี้พูดได้ถึงแค่ถึงหนังแล้วเนื้อเอ็นก็ถูกเป็นยังไงเมื่ออะไรมันสวยอะไรมันงามมันถึงได้หลงว่านักหนาหลงมาตั้งกลับตั้งกันไม่มีความสว่า ง, ส, งสางสาบงเลยแล้วเป็นยังไงถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแยกไปแยะไปสอดสองมองลงไปแล้วจะไม่เห็นความรุ่มหลงของตัวเองจะไม่เห็นความเลวไหลของตัวเองและจะไม่เห็นตัวหลอกลวงคือตัวของกิเลสที่เป็นอัตถรมแทรกอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันนั้น กับธรรมที่จะเกิดนั้นถ้าธรรมยังไม่มีอำนาจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถูกมันปัดมันเป่าหรือมันเตะมันถีบตกบัลลังก์ไปคือใจรตรงนั้นแหละตกลงไปถ้าธรรมมีสติมีปัญญาเป็นต้นมีกําลังมากแล้วก็จะต้องสิ่งจำปอมทั้งหลายก็ต้องถูกทํำลายดังที่กล่าวว่านั่นสวยนี่งามเป็นต้นอันนั่นเป็นนิจังอันนี้เป็นถูก ข, ขังอันนั้นเป็นอัตตา คำนี้เป็นเป็นต้นจะไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจงอมปลอมเมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปแล้วจะเป็นไปตามหลักธรรมชาติคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอาุภะอาุผังเกื่อนไปอยู่ในร่างกายของเราของเขาเกื่อนไปในโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายเกิดแจ่เจ็บตายเพราะความหลงของกิเลสที่หลอกลวงนี่แหละแล้วการเกิดแจ่เจ็บตายใครได้ยินว่าใครมีความสุขคนนั้นเกิดสุขมากคนนี้เกิดสุขมาก ม, มีไหม คนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความเกิดมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความตายมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความแก่ครัชราชราควาค่ามีไหมคนนั้นมีเป็นบรมสุขเพราะโรคภัยไข้เจ็บมีไหมคนนั้นเป็นความดุกเพราะความรักความชังมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะความเกลียดความโกรธมีไหมคนนั้นเป็นบรมสุขเพราะการต่อยตัวมีไหมสรุปแล้วหา ก็ลง ม, มาสุขหาความสุขอันแท้จริงไม่ได้เลยนี่เพราะอำนาจแห่งความรุ่งหลวงเป็นที่เป็นไปตามกิเลสตัวกิเลสจริงจริงมันให้ความสุขแก่ผู้ใดเพราะฉะนั้นผู้หลงที่ตามกิเลสจึงหาความสุขไม่ได้มีเครือนแฝงเครือนแฝงไว้นิดๆดๆๆเท่านั้นเหมือ น, นกันกับเหยือกเขาใส่ปลายเบ็ดน่ะติดไว้ปลายเบ็ดนั้นให้ปลาโตโง่หลงแล้วกลืนทั้งเบ็ด พอคือนลงไปแล้วก็เสร็จมันที่ว่าบรมสุขเป็นยังไงถามต่างาเป็นทางเดินเพื่อบรมสุขเพื่อละสิ่งที่เป็นมหันตทุกมหันตทุกขเหล่านี้ที่ถามไปตะกีนนี้ว่าอันใดเป็นบรมสุขเป็นมลุบบรมสุขมันจะเอาบรมสุขมาจากไหนก็มันเป็นมหันตทุกทางนั้น ตั้งแต่ทุบเรียกทุนน้อยก้าวเข้าไปหาหลักใหญ่ก็คือมหันต์ตะทุมมหันต์ตะทุมทั้งมวลเกิดก็มหันตทุกข์ความแก่ความชราขําคร่าทุกอย่างก็มหันต์ตะทุมความตายก็มหันต์ตะทุมทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องมหันต์ตะทุมมหันต์ตะทุมบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาถึงกับฆ่าตัวตายก็ยังมีเราไม่เห็นเหรือใครจะพิเสธกันได้แม้แต่ทางคือพิมพ์เขาก็ยังลงอยู่ แทบทุกวันเรื่องฆ่าตัวตายเป็นยังไงบ้ารันตะทุกไหมทุกจนกระทั่งจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้ในโลกกว่านี้กว้างแสนกว้างจะเอาตัวรอดว่าเป็นยอดดีแล้วฆ่าตัวตายยิ่งเป็นมารันตทุกอันใหญ่โตซ้ำเข้าไปอีกนี่เพราะความหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้มันดีแล้วหรือมนุษย์มันดีแล้วหรือโล ก, กอว่นี้เป็นมาันตทุกมาันตทุกอยู่อย่างนี้ถ้าไม่แก้ ภ า, ายนจิตใจดวงที่รุ่งหลจนอยู่นี้ด้วยหลักธรรมของมูลเจ้าที่ทรงสอนไว้ประกาศกรรมลอยู่นี้แล้วจะไม่มีวันพ้นไปได้เลยมนุษย์เหล่าและสัตว์ต่างหลายแล้วอย่าคาดว่าชาตินั้นชาตินี้อย่าคาดคาดไปเฉยๆด้วยอํานาจแห่งโมฆะและสัญญาอารมณ์ที่หลอกตัวเองซึ่งเคยหลอกตัวเองมาแล้วทั้งนั้นแหละให้สมหวังไม่สมถ้าต้องการความสมหวังให้เอาลงที่จุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรนี่แหละเป็นจุดที่จะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัย อาพิจารณาไปเกสาไปยังไงนักปฏิบัติดูให้ดีโลมานะขาทันตาตะโจดูให้ดีนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะให้ดีดจิตใจออกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจนถึงขั้นบรมสุขจะไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่เป็นแนวทางแห่งบรมสุขหรือสันติธรรมอันนาบคาบจะไปจากการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาลงไปความสายแสของจิตสายแสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันนี้ทําไมไม่เบือ่อทําไมไม่อิ่มพอ จะย้อนจิตเข้ามาสู่การยับยั้งเพื่อความสงบใจด้วยบทธรรมบทได้บทหนึ่งเหล่านี้ทําไมจะทําไม่ได้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนลูกศิษย์ตถาคตทํานี้ไม่ใช่ธรรมพ่ายแพ้เป็นธรรมที่แก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสได้ชยชนะมานานแสนานานแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดถึงสาวกทั้งหลายแล้วได้เคยกระเทือนโลกมาสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วตั้งแต่ได้ชยชนะ เพราะการปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือด้วยอนำนาจแห่งธรรมนี้เหตุใดเรานำธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติจะเล้วไหลจะแพ้จะเหล้หลยว แ, แหลกแบกแนวไปได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์สถาลูกศิษย์พระเทวทัตล้วต้องคิดสิการปฏิบัติมีแต่อยู่ไปกินไปเฉยๆคาดนั้นคาดนี้พบนั้นพบนี้จะดีอยากไปที่ทนั่นยากเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาต่อเปลาไม่ใช่เรื่องของธรรม ถ้าอยากพ้นจากทุกข์จริงๆให้ลงลงตามความอยากคืออยากปฏิพฤติปฏิบัติอยากประกอบความภาคเพียรพิจารณาอะไรพิจรณาให้เห็นจริงเหมือนอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์มากเท่าไรความเพียรยิ่งเด่นเด่นมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดลงไปโดยลำดับลำดาจิตจะดิ้นรนกระวนกระวายกวดแก่งขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้สติได้บังคับเข้าไปใส่บททําบทใดก็ตามให้อยู่ในนั้นแล้วจะต้องมีความสงบพ้นจาก อำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมนี้ไปไม่ได้เลยให้พากันมั่นใจในการพุทธปฏิบัติแล้วจะได้เห็นความความสุขตั้งแต่สันติธรรมโดยลําดับลาดานในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นบรมสุขจะได้ปรากฏสัมผัสที่ใจของเราเองรู้ที่ใจของเราเองเห็นที่ใจของเราเองพ้นจากใจพ้นจากทุกข์ที่ใจของเราเองเป็นบรมสุขที่ใจของเราเองจะไม่มีที่อื่นใดเป็นบรมสุข จะไม่มีที่อื่นใดเป็นความสุขความจเจริญที่อนันยอดเยี่ยมนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นดินเป็นดินน้ำเป็นน้าลมเป็ น, น, นลมไฟปไฟดินผ้าอากาศเป็นผ้าอากาศวัตถุแราา่ธาตุต่างๆเต็มโลกธาตุเป็นสิ่งนั้นๆต่างหากไม่ใช่บรมสุขไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรจะไปหลงในสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะไปหมายไม่ควรจะไปตื่นตื่นลมตื่นแรงเคยตื่นมากี่กับกี่กันแล้วยังจะตื่นย่อีกเหรอ ตื่นไปทนายก็ยิ่งได้รับความทุกข์ความทรมารดั่งที่เป็นมาแล้วนี่เองไม่สงสัยจะต้องเป็นอย่างนี้โดยแท้เพราะฉะนั้นจงให้พยายามย้อนจิตเข้ามาสู่หลักธรรมทามจิตใจของตนให้มีความมั่นคงต่อบทธรรมทั้งหลายต่อความเพียรเอาจะ ก, กําหนดพุดโทโธก็เอาให้แน่นแน่ลงไปแน่แนลงไปในพุโทโธในทาบทใดก็ตามกําหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับลมนี้เท่านั้นเหมือนกับว่าโลกกราตุนี้ไม่มี เหมือนกับสิ่งใดๆไม่มีในโลกมีแต่ความรู้กับคําบริกรรมนี่เท่านั้นจะมันจะสงบไม่ได้อย่างไรกิตนี่ต้องสงบได้โดยมาสงสัยเอาให้จริงให้จังที่นักปฏิบัติทำลูกๆดอนๆอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วมีแต่ความบวังความบังหวังอะไรเหตุไม่มีจะเอาคํามสมบวังมาจากไหนมันไม่ได้สมบังหนาเราอย่าหลงถูกเราถูกหลอกถูกต้มมานานแสนนานแล้วในภาพการพินิจพนะิจารณาพนักการแสดงถามพราะเห็นรุกนท่านเท่านี้วันนี้ไม่ปุ่นมากนะ เหนื่อยเหนื่อยแล้วดก่อนโมฆะราชไปเป็นพิจนาโลกให้เป็นของว่างเปล่าเนี่ยจะนมันต้องกลับมาสู่โลกนี้คาว่าเป็นของว่างเปล่าคือมันไม่มีไม่มีคำว่าสัตว์ว่าุบุคคลไม่มีอะไรภายในจิตใจมันปล่อยไปหมดมองดูใจจของมันว่างเปล่าไปหมดโลกอะไรวัตถุและธาตุต่างๆแม้แต่ภูเขาจะลูกเท่า ก้อนโลกนี่ก็ตามเถอะมันจะไม่มีในหัวใจมันว่างไปหมดเลยถ้าใจได้ว่างได้วางแล้วเปานานอันนี้ว่าสุญญะโต น, นี้โตโลกกันดูมองดูโลก้เป็นของว่างเปล่าตลอดการทุ่งเมืองสดาสโตะตลอดการทุ่งเมืองพิจารณาใจตลอดการทุ่งเมืองแล้วมันจะได้เห็นความว่างเปล่า โดยหลักธรรมชาติของมันเต็มที่นั่นน่นนาดูตัวเดือนเนาะเดนเบื้องตัวดือนตัวหน่อยวะ ไ, ไงน่ารักตัวเอาตัวนี้มามันกัดกันเอตัวน่นอยมมากยังเป็นเบิ้อมันกัดกันเอะนี่เนาะคดีนึงนี่ใยดีเป็คนน่าอย่างลยอย่างถ้าดูแลดีคนน่อย่างลอย่าง คนระเแบบียบระเแบบนิสัยมันก็ไม่ซ้ํากันเหมือนมนุษย์เรานี่ยมนุษย์เราก็บนิสัยแปลกแปกกันแต่สรุปแล้วว่าเป็นนิสัยที่ไม่โหดร้ายไม่กัดไม่อะไรกันไม่แย่งชิงกินอาหารกันนะไม่แย่งอาหารไม่ตะการตะกามอะไรเลยคุณนูมนมุษย์เราดิ่งกันมากเปนของแข่งวันนี้นเข้า เ, าเข้าเวาวว้าวว้าเอาอ้อมผุนอ้อมผี มันยั้งไปมันท้องอ้อมเตาอยู่ที่โ้เตาตัวเียวมันยงมเาอเามันเาตเาไม่ไหว